เข้าใจไหมแต่อะตมาก็เข้าใจกันว่าเข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะเป็นวิปสัสสนาญาณิกใช่ไหมคนผู้ปฏิบัตสิส่วนมากคิดว่าตัวเองเป็นวิปสัสสนาญาณิกในเวลาที่ครูบาอาจารย์ถามก็ตอบว่าอยากจะเป็นวิปสัสสนาญาณิก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 เข้าถึงอัปนาชานได้ที่เหลือสิทธิ์ไม่สามารถเข้าถึงฌานได้เข้าได้เข้าถึงแค่อุปัชาระสมาดิถ้าอย่างนั้น ท, ท, ทัดกรรมฐานทัดกรรมฐานทาดสีอยู่ในสิทธ์ไม่เข้าถึงอัปนาชาน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 ดังคมสั่งสงฆาพระพุทธเจ้าวุคุณที่เป็นสมถะยานิกต้องปฏิบัติอันไดอันหนึ่งในสมสที่สามารถเข้าถึงอัปนาชันสมดดาธิได้อนนาบานะอยู่ในสามสิบมดดาอยู่ในสามสิกรูนาอยู่ในสามสิมูดิดาอยู่ในสามสิอุเบคาอยาู่ในสาสิ เกษินกษินสิทธิ์เคยได้ยินใช่ไหมเกษินสิทธิ์อยู่ในสามสิบสมา บ, า บ, าบาัพปตอยู่ในสามสบอสุบภาวนะอยู่ในสามสิบอบบนไหนอยนากจะปฏิบัติอาจารจะสอน <laughs> วันนี้อนาแค่อนาคตพอใช่ไหม <laughs>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 มีมีคำตอบสองจุกระทบ ก, ก็มีโลมตรงที่กระทบ ก, ก็มีอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้สำคัญมากอนาบานะสติกรมทานคือการกำห น, นดรู้ลมไม่ใช่การกำหนดรู้จุกระทบเดี๋ยวนี้เปิดเอไว้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 ถ้าอย่างนั้นโยงท้งหลายต้องระมัด ร, ระวังอย่าไปเพ่งดูจุกะทะุกอย่าไปกำเนิรู้จุกะทะุกถ้าไปกำเนิรู้จุกทุกไม่มีวันที่จะเรินในการปฏิบัติอนาบานาสติมีแต่วความทุกข์ไม่มีความสุขมีแต่ปัญหาไม่มีวันที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้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 What is your purpose of practicing meditation? To p r r s u e the p r a t i c e of yoga is what? Hmm? Me? Eh? Nipan. You want to l e a r a t Nipan. Yoga. Why i you w a t to practice?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 อาจจะมีเวทนาเกิดขึ้นที่ขาเรียนที่ขาที่ใดที่หนึ่งถ้าเวทนาเกิดขึ้นเยอจะทําอะไรดีเ <c oughs> ยี่ยนนี้ไม่ต้องไปบริการจิตนอจิตนอจิตนอไม่ต้องทําแล้วถ้าไปทํำจิตที่รู้อารมณ์เดีวมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไม่สามารถจเจริยนสมาธิได้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 แล้วก็มีแสงเห็นปัญญาแสงเห็นปัญญาเหนือกว่าแสงทั้งหมดแสงดวงอาทิตย์จ้ามากใช่ไหมแต่มีกำจัดลิมิตกำจัดใช่ไหมจำกัดมีความจกัดมีจ ม, มีการจำกัดไม่สามารถทำทุไงได้เข้าใจไหม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 เค้อยู่กับลมต่อไปด้วยสติที่มีมกําลังอย่างติดต่อต่อเนื่องโยงเข้าใจว่าอากัรชาจะหายไปเองอากัรชาเป็นสิ่งที่เราทนได้ทนได้หมายความว่าสามารถวางอุเบกขาได้ตอนนั้นโยมไม่ต้องการหวังแค่อยู่กับลมต่อไปนนทํานองเดียวกันถ้าสามารถกำเนิดรู้ลงได้อย่างติดต่อต่อเนื่องนา น, น, น, น